ยินได้ฟังเรื่องที่เราทําเรื่องที่เราทําเราได้ยินมาเราก็ทําตามสิ่งที่เราได้ยินมาเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิเฉธเรื่องนี้ไม่ได้ชีวิตของเรามีภาระเราถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้วเพราะต้องเกิดเจ็บเจบตายเราที่นี้ว่าเป็นภาระก็ชีวิตเรา เราต้องใช้ชีวิตรอเพื่อให้รู้แจ้งไอ้เรื่อง น, นี้มันคืออะไรกันเราได้ชีวิตแต่ร่างกาจิตใจซึ่งเป็นรูปธรรมนามธรรมมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดอกไปมีแล้วหายไปนั่นเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไปไม่ใช่ทัวใช่ตน ไม่กวรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราชีวิตเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกื่อหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกมก็หมดแล้วชีวิตเหมือนน้าข้างอยู่บนยอดยากอันนิดหน่อยเหมือนเกิดเรามีพวกมีแพรเพื่อขี่ข้ามภารเรียกว่า รูปทำนามทำเป็นมหาภูตา ร, รูปเป็นรูปที่เราต้องอาศัยเพื่อข้ามภาคเพื่อรับความชั่วเพื่อทำความดีเพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์ถ้าเราไม่ใช่ให้ถูกต้องก็เป็นโทษเป็นภัยต่อเราและคนอื่นเราชีวิตของมนุษย์มีมันสมองก็ขยาบบาดโตเสาะโมหะก็ ร, กร้ายกาศ ทำลายตัวเองได้ทำลายคนอื่นได้ไม่จิบหายไปวอดได้ทำลายได้ทุกอย่างไม่เหมือนสัตว์ในฉานก็มีภัยเจอตัวเองได้คนอื่นเราจะมาทำามเชจ่ยงเรื่องนี้ถ่ามนเป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วดอบไปไมีแล้วหายไปมันสังขารที่มันเป็นอย่างนี้ มันก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นวิสงขารี่ว่าปฏิบัติได้ธรรมะคือปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการผู้ปฏิบัติจ่องรู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นทิ็จเป็นจริงอย่างไรส่วนนอมาใส่ตัวควรเชิญผู้อื่นมาดูพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราประกาศอยู่อย่างนี้ ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อาวิกิตการดุด้วยจะรสที่ขนเขาคนหลงพากันหมกอยู่แต่ผู้มีปัญญาหาข้องหยกไม้มาดูโลกกว่ า, ากันกล้องสอกยาวาหาคืบนี้เป็นโลกมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีรสชาติในรูปก็มีรสในเสียงก็มีรสในกลิ่นมันก็มีรส ในรถก็มีรถในกายก็มีรถในใจก็มีรถชาติเราต้องหาเรื่องรถต้องหกลถตาก็จินอาหารใจก็จินอาหารจมูกลื่นกายใจชินอาหารร่างคนก็หาสิ่งมาป้อนอาหารให้ทั้งหอาหารเพื่อไปเห็นไปนั่งรอรถโดยสารก็มีห้องอาหาร มีตู้เพลงเป็นไปตั่งจินอาหารสั่งกินอาหารตั้งปากก็จินอาหารตั้งหูก็กินอาหารเปิดเพลงฟังกายก็ดุก ก, ด ก, ก, ดก็ดุกอดีก็ดุกอดีกสันฉาสัาสนเชนไปกิดเสียงเพลงกินเข้าไปด้วยกิน ห, ม ห, มหมอมหอมหอมจอกขอกินเท่าไหร่ก็หอมก็มี นอกจากนั้นกิเลสตัณหากิเลสปนห้าตนหาร้อยแปดโอ้ยเป็นภาร ะ, ะหรือเกินเมื่ อ, อไรเราจะหมดภาร ะ, ะเราถูกความทุกข์อย่างอ๋แล้วมีความทุกข์เป็นเบื่อได้แล้วไิเศษไม่ได้ไทำจะไหนเกินทำที่ชุดแต่งกองทุกนี้จะเป็นปรากฏจเจอเราเราก็ต้องกุทิศ ต, ต่อพระหลังต่อสมมาทาูตเจ้าแม่ปารินีพานานไปแล้วพวงนั้นเราก็ต้องมีจัทามีความเพียร เนตามรายพระยุคนบาทพ่านเจ้าสอนยังไงจึงเป็นผู้เจ้าทำไงจึงเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็เป็นศีลธรรมเป็นสามัญชนเราก็ศึกษาเราก็มาทำตามอุทิศหรือว่าทำตามนี่หรือว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือยังไงพระสูตรก็มีจะบอกว่าการคู่เฉินเข้ากันเหยื่อเฉินดอกก็มีสติ เปลี่ยนไป้งามีสติแต่แล้วก็มีสติการหายใจเขาหายใจออกมีสติเราเรามีใครฝึกแล้วนี่หรืออย่างเราเดินมาเท่าไหร่ฟรีทั้งหมดหายใจเขาหายออกฟรีทั้งหมดไม่รู้สึกตัวเลยเราจะมาหากันใช่ไหมไปสบการณ์สัมผัสดูออกกายมาตั้งไว้ที่ความรู้สึก ยกมือไปเคลื่อนมือมาให้รู้สึกตัวอยอามาเคลื่อนไหวพีมีเจตนาเจตนาให้มันรู้ไปในกายกายไม่มีอยู่จริงให้มันรู้ก็รู้ได้ถ้าไม่รู้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนความหลงก็ามาคลองเราแสดงออกทางกายมีความหลงความรู้ไม่ตัวใจที่มันชิดก็อย่าให้มันชิดแบบหลองอะไรมาสั่งให้ชิด สังขารทั้งหลายสั่งให้คิดพงแต่งไปนั่งอยู่นี่มันคิดไปไหนนอนอยู่นี่มันคิดไปไหนมันอยู่กับเมื่อกับตัวหมายเคยฝึกผลตนเองไหมปฏิบัติคือกลับมาอยู่กับตัวเองเนื่อปฏิบัติสอนเวลามันหลงคิดไปคิดนั้นมีสองลักษณะคิดที่ได้ตั้งใจคิดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง อารคิดที่ไม่ตั้งใจไม่อยากคิดมันก็คิดมันก็เป็นเรื่องหนังเรือสองขานมันตรงมันอยู่นิ่งไม่เป็นถ้าเราหัดมันก็สุขสนมากสมสอนโสเพณีจิตใจก็เป็นโสเพนีจิตสมสอนคิดอะไรก็ได้กายก็เป็นโสเพณีกายสมสอนับอะไรทั้งหมดยิ่งเล่าสซูรี อะไรต่างๆสารพัดจางจนนีโลกมีภัยเกิดขึ้นเพราะมันสมสอนนะกายในใจมีกายก็เพึ่งไม่ได้มีใจก็เพึ่งไม่ได้หัวเนี้ยถือว่าเป็นภาระหรือเปล่าทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมถ้าเรามองม่ได้มองดูตเงก็ประมาทมากเวลาเรามาดูามีสตินี้มันโอ้ยมันหลงมามากเกิน พอเจรูห์มองกำหนดมือเคลื่อนไหวไปมานี่มันก็พอสมควรทวนกระแสอมันเคยไหลจิใจของเรามันเคยไหลกายมันเคยไหลบางคนตีปุรีมาให้มาสร้างจังหวะไมาให้สูบุรีมันก็เวลามันหิวขึ้นมาขั่วหน้าขั้วหลังลืมจังหวะ่ามันคั่วไปนั่งอยู่ด้วยกันทำไมล่ะ โอ้หิ้วบุหรี่มันคิดว่าจะไปเอาบุหรี่มาสูบมามือวันไปมันมันก็โปร่งแจ่งไปตั้งาจตั้งใจไปด้วยกันสั่งอำนาจสั่งให้สูบบุหรี่ก็สูบโอบุหรี่มาคาบปากเอาไม่เฉีดมาจทยให้ดูถูกันเข้าไปคนจินมากก็เชี่ยวมากเที่ยวตลอดเวลาไม่อยู่เฉยๆให้กายปิดประเภทให้ใจปิดประเภทไว เป็นโรคมะเร็งเป็นโรคลับเป็นโรคอะไรต่างๆสารพัตจังนี่เรามาปฏิบัติเอาชี้สัมผัส ด, ดูสัมผัส ด, ดูกับกายเอาสติมาต่อไว้กับกายหัดให้กายมีสติยกมือเคลื่อนไหวไปมามันก็ติดได้มันเป็นการท่องจําเหมือนกับเลนชีวิตเราไปถ่ายเอาความรู้สึกตัวกายจิตใจไปถ่ายความรู้สึกตัว เวลามาชิดรู้สึกตัวสอนใจเวลากายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวสอนกายมันก็อยู่ตรงนี้ตายถูกสอนจิตใจถูกสอนวอยๆรู้สึกตัวบ่อยๆมันก็เป็นได้มันก็ติดได้ปฏิบัติได้สัมผัสได้ทุกคนความรู้จึกตัวที่เรากำหนดรู้อยู่นี้นี่แหละคือการศึกษาเบื้องต้นของพุทธศาสนาเราเกิดขึ้นที่ตรงนี้มีสติ สติตั้งแต่อยู่กับพระพุทธเจ้าก็กับสติที่เกิด อ, อยู่กับเราอันเดียวกันตั้งต้นจากที่นี้ไม่ได้ศึกษาในรั้วมหาอุไที่ไดเอากายเป็นตาราเอาใจเป็นตำลาเอาสติเป็นนักศึกษาดูไปเห็นไปดูไปดูไปรูป้ไปบ่ปอยู้วปบ่อยจังหวะ1ลรู้ทีหนึ่งยกมือที่1รู้ทีหนึ่ง1ิ่จังหวะ14บรู้ ลู่กับไปลู่กัมาชั่วโมงหนึ่งมีแต่ลู่ทุกจังหวะก็วินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองร้อหกสิบห้าวินาทีก็ลู่ทั้งสามพันหอยวินาทีหกรอยครั้งเนี่ยมันปฏิบัติได้มันทําได้ไม่ใช่ทํำมาได้อันสติที่อยู่กับพระสงฆ์นี่ก็อันเดียวกันกับสติอยู่กับฆรวาวาสญาโจรอันเดียวกัน ผมรู้สึกตัวในหลักจากนี้ไม่มีการไม่มีเวลาอยากรู้เมื่อใดไม่มีการข้ามวันคืนไม่มีคนเป็นหนุ่งเป็นสาวเป็นคนเท่าคนแก่เพศลัทธิในกายเลยทั้งสิ้นเป็นสากนผมรู้สึกตัวเนี่ ย, อยอขอ ง, นนนนงรจริงต้องเป็นนเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างพิสูจน์กินปรามาพิสูจน์เนี่ยท่าปฏิบัติ ท, ทดลองดูเป็นวิทยาศาสตร์เป็น ที่จะดีที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องไปรเรียนทฤษฎีเมืองใดประเทศใดก็จะศึกษาเรื่องธรรมะชีวิตที่เป็นการหลุดพ้นเป็นปัญญาโลกรู่ในกองสงขารคือกายใจนี้ให้ทำให้ดูทำแบบดูอย่าไปทำแบบอยู่เหมือนเรามีตาดูให้เห็นกับตาเราได้ยินทางหูเรายังไม่เอาให้เห็นกับตา ัองตาผู้นี่เป็นการได้ยินทางหูเมื่อเราได้เห็นได้เป็นผู้ดูมันก็เห็นกับตาในไม่ใช่ตาเนื้อนี่เปิกหันลองดูพิสูจน์ลองดูงดวันเจ็ดวนันอ้าผู้ที่ตั้งใจจริงมีสติต่อเนื้องพระพุพทธเจ้าข้าทายไว้วุูนมีสติต่อเนื้องจริงจิงอ่ะ นึ่วันทกเจวันไม่เลยสองเกิดขึ้นแน่นอนต่างๆหนึ่เดือนทกเจดเดือนต่างชาติจุด1ปีถึง7จปีเนี่ยเรามีใครบ้างที่พิสูน์ตรตงนี้เรามันอยู่ที่ใดมันก็อยู่ที่หลอกนี้ก า, ายอยู่นี่ใจอยู่นี้มันก็หลงอยู่นี้มันก็ลู่อยู่นี้เปลี่ยนความหลงเป็นความลู่ก็ทำไดาอยู่นี้ไม่ต้องไปเชื่อใครไม่มีคําถามมีแต่คาําตอบ คนอื่นตอบให้ไม่ได้เวลาเราหลงลเราไปถามใครไหมผมหลงไหมหลงตาหนูหลงไหมหลงตาไม่มีคำถามเวลาหลงเราก็รู้รู้ว่ามันหลงเวลาเรารู้สึกตัวก็หลงหมดไปหรือเล่าเราก็ไม่ต้องไปถามใครเวลารู้สึกตัวน่ะเราต้องไม่ขอใครก็อยู่กับเราเวลามันหลงก็ยกเงื่้างังจว่าตัวชคิดไปต้งน้น ลู่เสียตัวเนี่ยอาเฉยนิมิตเกาะไว้ถ้ายังไม่เก่งฝึกใหม่ๆเอาเฉยกายเป็นนิมิตไม่ใช่ไปท่องจะเนึกอลู่เนื้อลู่ออกมาใช่ก็นึกอลู่เป็นจินตญาณไ่าะไรก็รู้ได้แต่ไม่สำพันธ์ได้ด้วยชีวิตจิตใจจริงๆจะบอกก็ได้สติเมืเ่อไหร่สมปชาเมื่อไรตาเคเรียนมาตั้งแต่เป็นสํานเณรสอบได้นักธรรมเช่นตรี ทำอุปการละมากสองอย่างหนึ่งสติความลึกได้สองสมบัติสิะความรู้ตัวต้องได้อุปการละคืออะไรคือพ่อคือแม่ของชีวิตอุปการละคุณไม่ใช่ท่องจำแบบนั้นสติจริงๆมันต้องไม่อยู่ที่กายเอากายไปต่อออกไปจมออกให้มันติดอยู่ที่จิตใจให้มันติดลองดูสิเดี๋ยวนี้กายกับจิตใจอะไรเป็น เจ้าของความหลงไปเจ้าของมนากวัวความรู้จึกตัวยึงเพียนพยะเไมมันรู้มากๆขึ้นดูรู้รู้มันหลงรู้มีแต่สภาวะที่หลงมีแต่สภาวะที่รู้เท่านี้ไม่มากไม่เหมือนจับปูเสกกระดงตั้งที่เขาสอนกันแล้มันหลงรู้จึกตัวกวมหลงแท้ เป็นเหตุให้ลูกสึกตัวดาไม่ต้องไปหาเหตุปัจจัยอะไรที่ใดมาเชื่อใครทฤษฎีที่ใดมาเชื่อเวลามันหลงลูกด้อยความลูกจากความหลงด้อยความลูกจากความทุกข์ด้ความลูกจากความโกรธถ้าเราศึกษาแล้วเนียมันก็ตรงกันข้ามพอดีแต่ก่อนหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโกรธความหลงสร้างความหลงเลยป่ะ ความทุกข์สร้างควทุกข์้วยเป่าความโกรธสร้างความโกรธเลยปล่าตัวนี้เคยกินจนเป็นจริตนิดส่อยโทสะจริตลาคะจริตโมหะจริตเป็นเจ้าเรือนง่ายง่ายที่จะหลงบทนี้มันง่ายที่จะรู้ฝึกไหม่ใหม่มันง่ายที่จะหลงนะพอทำไปทาไปมันง่ายที่จะรู้มันก็เป็นไปได้อย่างแน่อยากให้มันหลงถ้าทายเลยทําให้เป็นนั่นแหะ เวลามันหลงลูกเบื้องต้นเรากอาศัยกายเคลื่อนไหวเพื่อเป็นที่ตั้งนิมิตเกาะไว้เหมือนเราเดินไต่สะพานมีเราจับจับไว้ก่อนหรือเหมือนเราเขจดหนังสือมีเส้นเหมือทัดก็ยังไม่เจียงถ้าเจีงแล้วไม่ต้องมีเชิดเหมือทัดเดินไต่สะพานไม่ต้องอาศัยหล่าถ้าเจีงแล้วตะกอนสะพานข้ามสะวัตป่าสุโกโตเนี่ยเป็นไม้ท่อนเดียวพาดไปไต่ไม้ท่อนเดียว แล้วคนไม่เคยเดินก็เกาะลาวไปเกาะลาวไปแล้วคนเคยเดินแล้วชดชดช ด, ดไปเลยเดินให้คนดูได้แต่เมื่ไไมก่อนคนที่ไม่เคยไต่มันก็ตกสะพานนี่หมอคนหนังจากจากาังหวัดสุโขทัยคนมาอยู่ด้วยตกสะพานลงไปแต่มันเป็นชี้โคนยืนลงไปในชี้โคนเราก็ลงไปเอาเขินมาต่อมาเราก็เลยทําเป็นสะพานแบบนี้ คนทั้งหลายจะเหมือนเราหดนี่ก็คือรูปแบบของการฝึกกรรมาฐานเบื้องต้นต้องยกมือช่างจังหวะนั้นเราไปเรียนหนังสือกอไก่อยู่กระดาษดูดกอไก่ขอไข่แล้วก็มาหาเขียนหัดท่องให้ติดปากดูกอไก่ก็รู้ติดตากอไก่ตัวอักษรทุกภาษาอยู่ในเลนของชีวิตเรามันก็บันทึกเหมืนอนคอมพิวเตอร์ได้ อันบันทึกความทุกข์มันก็ติดความทุกข์มันทึกความไม่ทุกข์ก็ติดความไม่ทุกข์ได้เก็บข้อมูลได้เป็นต่อมีสติเก็บข้อมูลรู้เอารู้เอารูารา้ความรู้ที่มีที่อยู่ในกายในใจมันไม่ใช่ความรู้ธรรม า, าเป็นปัญญาปัญหากลายเป็นปัญญาได้นี่คือของจริงผุุู้ชนกลายเป็นพระเรียบุคคลได้กรรมะเนี่ยไม่ใช่ เป็นการท่องจําเป็นพิธีรีตองให้สัมผัสเอาจริงๆงเมื่อสัมผัสลูกมากมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวลูกเดี๋ยวเป็นญาอนเป็นปัญญาในที่สุดเมื่อการเกิดเจตจิตตาเห็นหมดกายใจของเราอะไรที่มันเกิดกับกากับใจลูกแจ้งล่วงคลุนภาวะเก่าไปเลยนี่คือกรรมฐานที่ตั้งของการกระทำจนเกิดวิปัสสนาญาณพ้นภาวะเดิมเดิม ความหลงกลายเป็นความรู้เป็นปัญญาปปัญหากลายเป็นปัญญาเรียกว่าพน้นความทุกข์กายเป็นความไม่ทุกข์ความเกิดเจ็เจ็บตายเป็นความไม่เกิดไม่เจ่ไม่เจ็ บ, ไ ม, จบไม่ตายเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายที่สุดของการศึกษาเราจะต้องเกิดเจ็เจ็บตายเราจะต้องไปลองให้อยู่ตรงนั้นเหลอการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่ทําไปพิธีนั่งหลงระลาบตาหนีผู้นี้คนมันต้องช่วยคน ก็เจ็บเราจะไปสอนของงานคนเจ็บเมื่อไม่เจ็บก็ people, ต้องมีไม่เจ็บเมื่อไม่เจอะก็ต้องมีไม่เจอะเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตายนี่คือชีวิตเราเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างเล่งโดยต้องไปยอมรับคอยร้องไห้คอยเป็นทุกข์เอาทุกข์บ้างเอาสุขบ้างนั่นไม่ใช่ชีวิตตรงนั้นชีวิตไม่ใช่รับใช่วความสุขความทุกข์ชีวิตมันต้องเหนือสุขหนอทุกข์จึงจะเป็นชีวิต เรายังสุกยทุกอยู่ไม่ใช่ชีวิตเลยเป็นชีวิตที่เสาหลักปากขี้โกดมันก็ไม่ยั่งยืนเราจะน้องฝึกหัดเราก็ขอว่ารับผิดชอตรองในเป็นเพื่อนเป็นมิตรแต่ช่วยไม่ได้ต้องทํำเองรู้จักตัวก็รู้เองท่านหลงก็หลงเองท่านลูกก็ลูกเองท่านสุกก็ท่านก็สุกเองท่านทุกข์ก็ทก็ทุกข์เองท่านไม่ถูกไม่ทุกข์ท่านก็ทํำเองโอ้ยเจ้าเป็นแต่เป็นผู้บอก ผลก็ทําเป็นหน้าที่ของเราทุกชีวิตเป็นอย่รางไรรวมรู้สึกตัวเันนี้ม่เป็นของใครเป็นของผู้รู้ใครรู้ก็เป็นของผู้นั้นไม่ใช่เป็นของพระเจ้าไม่หนีไปไหนอยู่กับเราแม่พระพุทธเจ้าของเราผลลีนผ่านไปนานแล้วก็ไม่ใช่เอามักผล น, น, นี้ผ่านหนีไปมันอยู่กับชีวิตทุกชีวิตเราทีเดียวเราจึงไม่ควรประมาทว่า อย่ารอให้เท่าให้แก่เติร์แต่ดึกศึกเติร์นนมก็ยังหลงอยู่ยังทุกอยู่ยังโกอยู่ถือว่าล่าสมัยที่สุดทุกวันนี้ยิตเขาฝึกผนกันมามากแล้วคนโกรธคนทุกข์คนโลภคนหลงถือว่าคนล่าสมัยเดี๋ยวนี้เขาไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่โลภไม่หลง ก, ก, กันแล้วจิตใจบริสุทธิ์กันนี่คือสุดยอดของชีวิตเราเอ่ยไรแนะ่ที่เราพึ่งพาใสยได้ คลุมไร่คลมดีฟูฟูแพร่แพร่ี้ใจเราก่อนมารู้ธรรมอยู่ที่ใดอยู่ที่กายที่ใจเ้าใช้อยู่ที่สุกโตอยู่ที่ถ้าที่ผาที่สํานักละทินีิกายได้ไม่มีละทิไม่มีนิกายไม่มีเพศไม่ไหวไม่มีการเวลาเพราะมันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยกายมารับความชั่วก็าะได้ใจมารับความชั่วก็ราได้กายมาทําความดีก็ทําได้กายทําความชั่วก็ทําได้ ก็มาถนั้นเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์มึงก็รู้ได้จริงๆเนี่ยไม่มีใครยกมือขึ้นไม่รู้รู้ได้ทุกคนแต่นี่แต่คนไม่บ้ามานั่นรู้รู้ยากบางคนก็หลงมากจนเอาม่ปูไม่กลับเลยเคยไปสอนคนแจกเสด็ีคนหนังอยู่แถวงานไลก็เสีศาสกรุงเทพลูกสาวโสดมาเอาไปสอนแม่แม่เขาเนี่ย ล่มรวยมากแต่ว่าหลง่ะเงินให้ไปสร้างกรถิน่นไปทอดพระป่าวัดโน้นวันนี้เท่าวร้านเท่านี้ล้านว่าต่ายังไม่เสร็จไปหล่เพราะพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ไปแล้วสิบห้าล้านก็ยังไม่เสร็จบ่นอยู่เดี๋ยวก็มาเอาไปอีกว่าจะเสร็จก็ให้ไปก็ไม่เสร็จสัก ท, ทีเวลาหลวงตาพูดเอามือตกตะก้ามา อก็รูปรูปของกำลเอามือมาวางไว้ไหลงตาพูดเท่าไหร่ผมพูดแต่เรื่องนี้เตื่องเติมบุญเรื่องตอนทานเท่านั้นล้านชาแีลล้านเลยตู้เท่าไหร่ก็เรียกมักลับเลยหลองไปนนท์ไหลไปนนอ์เวลามันเท่าหันแฉะมามติดอะไรบางทีก็น่าสงสารลูกหลานเอาโซ่ล่ามไว้ไม่มีสติสตังอะไรเมือไปพูดอะไรก็ามาเชี่ยวชิน อยู่นิ่งไม่เป็นจำคนจำเนี่ยอยู่หลงบัวแดงไปดูแล้วโอ้จมันมีป่องนี่ก็แก่แก่จำถุงรอดปูนให้อยู่แจ่ปูนมันเจรได้ถ้ามีป่องนี่เจรไปเจรมาก็เจอไ ด, ด้นะกระดานนะเจรแล้วก็อามาเชี่ยวนี่เพื่อแก่ของคนแก่ไม่เป็นเพว่ ห, หลงไม่เคยรู้อลอยไปไหลไป มีบ้างไหมเราเวลานอนเอาเรื่องไปคิดจนนอนไม่หล่อไหลไปนอนอยู่นี่เจออะไรมันไหนลไปไหลไปกับความหลงคิดไปกับความหลงพอหลับไปก็ฝันทั้งคืนเลยแปดชั่วโมงนอนไม่อิ่มเลยมัวแต่ฝันมัวแต่คิดสิ้นเปลืองพลังงานเราจะถัดเราไหมหรือเจอปล่อยให้ตัวเราเป็นเช่นนั้นเพลิงหลงมันไม่ใช่อยู่ เหมือนเดิมมันหลงไปมากนะผมโกรธก็ไม่ใช่เหมือนเดิมโกรธไปมากขึ้นมาขึ้นเป็นนิสยัยเป็นจริตไปเลยก็มีนะเราจึงฝึกขนตนเองยิ่งเราไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่ใช่สัตดด์ติฉานมีเป็นสัตว์สังขมมีลูกมีโต๊ะมีพ่อมีแม่มีผู้าย่อต่อใหญ่บุตรปัญญาสามีทําไงพวกเรานะจะอยู่กันด้วยความสมบรูรณมเย็นตามแบบ พุทธศาสนาะตายก็ตายยังมีความสุขความสุขเนี่ยสุขอร่อยสุขที่ไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายเนี่ยคกิดจากการฝึกหัดกรรมาฐานนี้ที่ว่าปฏิเสธกันเถอะเขาก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้กันเราปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เลยชีวิตของเราสี่สิบกว่าปีกับหลงกุศเทียนสอนให้เรามารู้เรังชีวิตนี่ยโอ้ยเป็นพ่อของเราคนที่สอง แม่ของเราพ่อของเราไม่เคยสอนให้เรามายกมือให้รู้จักรูป ท, าทําน้ําทําเมื่อเถียนสอนให้เรามารู้จักรูปทํานามทำนะรูปมันทําชั่วนามมันทําชั่วรูปมันทําดีนามมันทําดีเรา ม, ม, มีสตินี้รู้สึกตัวเนี่ยรูปมันทําอะไรเงินทําชั่วเัินทําดีไหมรู้สึกตัวรู้ตัวรูปมันทําดีอยู่เมื่อมีสติเรก็ทํำความดี เมื่อมีสติก็แล้วความชั่วเมื่อมีสติจิตบริสุทธิ์ไปกันเป็นปวงเรยทําเท่านี้มีสติอยู่ก็ถือว่าแล้วความทั่วเป็นชินแล้วรักษาชินแล้วทำ บ, บุญแล้วมีสติก็ทําความดีมีสติเวลาใดไมนคิดหลงไปรู้สึกตัวจิตบริสุทธิ์แล้วพระพุทธเจ้าชนะสลุปลงโอวา่าปติโมก สอนให้เลาความชั่วสอนให้ทำความดีสอนให้จิตบริสุทธิ์เมื่อตัวแดงทำได้แล้วก็ไปสอนก็อยรู้ตามเรียว่าสามหมาสามพระเจ้านี่เรามีสติอยู่นี่ใครไปผิดอะไรเวลาไม่คิดไปก็รู้ตัวไม่ใช่ผิดศีลเลยรักษาศีลทำบุญใจมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่เคยหลงก็จะรู้ เป็นบุญแล้วปุญคือรู้หลงคือบาปเปลี่ยนความหลงความรู้เรียกว่าฉลาดเป็นปัญญามันหลงเน่ยทําไมรู้มันทุกข์ก็ทําไมรู้แล้วก่อนความทุกข์เป็นความทุกข์เก่งไปมั่มากเมื่อใดบุคคลเนี่ยด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นทุกข์เมื่อนั้นยอมหน่า ย, นายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระเนพานานั่นเป็นธรหมดจด ทุกเถิดเป็นพระนิพพานเลยเราไล่เปลี่ยนเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติเมื่อใดบุคคลเนี่ยด้วยปัญญาวะสงขงารักบ่งไม่เที่ยงเมื่อนอั่นยอมนยนยในหนาในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอั่นเป็นตําบลจดมันก็ต่างกันอย่างนี้คนที่ฝึกคือคนที่ไม่ฝึกคนที่ไม่ฝึกความทุกข์เป็นความทุกข์ล่อยปอย เอากลัวมาเที่ยงมาเป็นทุกข์เลยไปร้องไห้เสียใจเพราะกลัวมาเทีย่ยมพระพากจากของลาของชอบใจว่าตราชิงใดไม่ได้ชิงนานเป็นทุกข์ไปเลยคนไม่เคยฝึกหัดนะคนที่เคยฝึกหัดนะเป็นธรรมดาวาเงเยน็นบางเป็นเย็นได้จู้จักปล่อยรู้จักวางมันโลเ้เยน็นในใจของเราไม่เปลี่ยนได้ เรามันทุกข์ไม่ทุกข์ได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์หัดเปลี่ยนอย่างนี้ถัวว่าปฏิบัติตอวตอบทักท้วงดูแลตัวเราให้มันคุม้มอย่าปล่อยปะล้วเลยมันมีอยู่มันหลงก็มีมันทุกข์ก็มีมันโกรธ ก, ก็มีมันโลภก็มีมันรักมันชังในความสุขความทุกข์อยความสุขวมทุกข์ก่อนล่มเหลว อ, อยู่เลยเป็นสังขาร คามสุขก็เป็นสังขารความทุกข์เป็นสังขารมาเกิดจากสังขารสมมุติเอาบัญญัติเอาบางคนได้เย็นเล่าก็ว่าสุขได้โชโบเลก็ว่าสุขมันบัญญัติเอาสมมุติบัญญัติตัวเองอดหลับดนอนมากเกินก็ว่าสุขไปเที่ยวสุขจนกเกือบตายไม่ได้หลับได้นอนเลยยังมีความสุขอยู่นกไม่เห็นฟ้าตามไม่เห็นน้ำใช้เดือนเห็นดิน หนอนเห็นคู่ที่ดูดกินบุตุชนก็เป็นเนีหลงก็เอาไม่หลงก็หาเรื่องให้มันหลงกินเหล้หมามอยยายติดยาเสพติดรอบกล่อมหลงไม่รู้จักอายไม่อยอมก็ชอบเป็นได้บางคนสมบุติปรญหยัดต่างกันเมื่อสมบูริประหญัดเอาตามความเคยกินของตก็แย่งคนอื่น สำคันว่าดีกว่าคนอื่นสำกันว่าเร็วกว่าคนอื่นเป็นที่สิมานะไปกัย้งกันไปชอบว่ากันไปเช่นบ้านเมืองเราเวลานีะสมมุติบัญญัติเชิงจังอะไรต่างๆไม่รู้จัก่อกันไม่รู้จัะว่าไม่รู้จัะจุดไม่รู้จกักเยนอยู่ด้วยกันลําบากต่างที่สิมานะเรามาเป็นอันเดียวกันสิมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นี่เกือบร้อยคนะ่ะหรือเป็นร้อยคนทั้งพระทั้งโยมเนะี่ย ถ้าเรามีสติเป็นคนคนเดียวกันเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเรามีความหลงเป็นคนละคนกันเลยต่างคนต่างหลงก็พึ่งกันยากถ้าเรามีสติอยู่ก็พึ่งกันได้เคยสอนสอมี่พัญญาคู่หนึ่งเวลาหลงก็เตือนกันแน่แน่แน่แน่หลงเราก็จะด่าลูกโอ้ยหลงแล้วหลงแล้วขับมาขับมาจากหน้าบูดตังเบื้งพอเตือนกันก็ยิ้มกันบอกเ้ย ค่อยหลงอย่างจริงละ่ะบางทีก็สอนก่นในห้องนอนชอคิดถึงลูกอะนอนไม่ค่อยหลับอา้าคิดถึงลูกก็นอนให้มันหลับสิแม่เออนอน้ม่หลับก็เกิดไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ไดีเดี๋ยวเจ็ป่วยลูกเขายากลําบากคิดถึงลูกก็นอนให้มันหลับไม่ใช่คิดแต่ความคิดเอาความคิดมาเป็นความรักมาใช้รักลูกก็คือรักตัวเราให้อยู่ในความสงบร่มเย็น แล้วัญญาสามีเราก็ต้องเป็นคนดีต่อกันและกันนี่คือความรักไม่ใช่ความรักแต่อะไรเอาโอนยึดมัน่นถือมัน่นอันดุกอันโทษนี่รอนต่าพูดนะก่ <c oughs> อนนะจะทํางานก็เป็นเรื่องของเราเวลานี้เรามาสร้างสติลูกมันกำทําดีลูกทําดีนามทําดีนี่ว่าลูกทํานามทํามันสาเร็จอย่างนี้ ถ้าไปำทำชั่วก็เป็นความชั่วไปเนี่ยมันก็ต่างกันนี่รูปแล้วแต่เราจะใช้มันมันก็เป็นธาตุของน้ำน้าป่าเถื่อนก็ใช่รูปผิดประเภทเราจงมาสอนตัย่งให้รู้อยู่รู้อยู่สักเก็ดวันดูรู้ไปเรื่อยๆไปขยันรู้หรือว่าภาวนาขยันลงเรื่อสังขารองแต่งเรื่อยไป